ว่างจากความรู้สึกผิดคนตายเท่านั้นทำผิดเพิ่มไม่ได้คนฉลาดเท่านั้นมองความผิดเป็นบทเรียนคนเก่งเท่านั้นแปลความผิดเป็นชนวนแห่งความถูกคนรู้จริงเท่านั้นเห็นความผิดเป็นเรื่องธรรมดา วูแผ่งความสำนึกผิดนั้นยอดแต่ความรู้สึกผิดยืดเยื้อนั้นแย่ความสำนึกผิดจริงจังนั้นดีแต่ความรู้สึกผิดโดยไม่คิดแก้ไขนั้นเวลวแผลจากการเสียท่ากิเลสเจ็บปวดกว่าการเสียทีคนแต่พระมัวกลัวโดนใครหลอกจึงระแวงคนมากกว่าระแวงกิเลส กิเลสจึงหลอกใช้ให้ทำเรื่องผิดร่ำไปกว่าจะคิดได้ก็สายเกินทุกทีเรื่องในโลกอาจสายไปเรื่องในใจไม่มีทางสายตราบเท่าที่อาศัยความผิดเป็นบทเรียนตราบเท่าที่ใช้ความผิดเป็นชนวนแห่งความถูกตราบเท่าที่เห็นความผิดเป็นเรื่องธรรมดาตราบนั้น ยังมีความว่างจากความรู้สึกผิดได้เสมอ